วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สองมิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันหยุดพิเศษเพื่อที่จะทำให้มีวันหยุดสี่วันคือวันเสาร์ที่ผ่านมาและวันอังคาร พรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดวันเฉลอมพระชนมพรรษาของพระราชินีวันจันนี้ก็เลยเป็นวันหยุดพิเศษเพื่อจะได้มีวันหยุดสี่วันติดต่อกันท่านที่ไม่ต้องทำงานท่านก็เลยได้กาไรเพราะถ้าไม่มีวันหยุดพิเศษนี้ก็ต้องไปทำงานทำการกันวันนี้ก็เลยมีเวลา พิเศษสำหรับการมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นวันกำไรบุญได้ทำบุญเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันคือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรม <c oughs> และบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม <c oughs> ที่จะนำพาให้จิตใจ <c oughs> ได้หลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงบุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดวันนี้เราก็จะมาฟังเทศฟังธรรมเรื่องเรื่องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวชีวิตของเรานี้มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกัน คือร่างกายและจิตใจเรียกสั้นๆว่ากายกับใจเป็นคนสองคนเป็นเหมือนคนสองคนมาร่วมทํางานกันเป็นเหมือนสามีภรรยาการทํางานนี้มีแบ่งหน้าที่กันคือใจจะเป็นผู้สั่งการ แล้วร่างกายก็เป็นผู้กระทาตามคำสั่งของใจใจจึงเป็นนายกายจึงเป็นบ่าวกายจะทำอะไรเองไม่ได้ต้องมีใจเป็นผู้คอยสั่งการให้ทำอะไรต่างๆเช่นวันนี้ใจก็เป็นผู้สั่งให้ร่างกาย มาที่วัดนี้คำสั่งของใจก็คือความคิดนี้เองญาติโยมต้องคิดก่อนว่าวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษจะไปไหนดีจะทำอะไรดีแล้วก็ตบดวงว่าวันนี้จะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมพอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมา เมื่อได้มาถึงที่นี่ก็จะได้ทำกิจทีจ่ที่อยากจะทำคือได้ฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมผลของการกระทำวันนี้ผู้ที่รับผลนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับผลก็คือใจคือ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 จะทำให้ความลังเลสงสัยต่างๆหมดสิ้นไปได้สี่ทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องและห้าทำให้จิตผ่องใสเบิกบานมีความสุขเนี่ผลประโยชน์ห้าข้อนี้ผู้ที่รับผลนี้ก็คือใจโดยตรงเลย ร่างกายไม่ได้รับประโยชน์เลยเพราะว่าร่างกายไม่ได้เป็นผู้กระทาผู้กระทาก็คือใจผู้รับผลก็ต้องเป็นใจเหมือนกันแล้วต่อไป<ม>เดี๋ยวเราก็จะมานั่งสมาธิกันต่อนั่งสมาธิเราก็ใช้สติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าสามารถควบคุมให้ใจ อยู่กับกรรมฐานองค์าดองหนึ่งได้ก็จะสามารถทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ mm hmm. เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ mm hmm. ผู้ที่รับผลก็คือใจอีกเช่นเดียวกันน่างกายก็ไม่ได้รับผลอะไรน่างกายก็เป็นเหมือนเดิมก่อนมาฟังเทศฟังธรรมก่อนมาปฏิบัติธรรม mm hmm. ก็เป็น เป็นปกติหลังจากฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วร่างกายก็เป็นปกติเหมือนเดิมไม่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นหรือไม่มีความทุกข์ลดน้อยลงแต่อย่างใดดันั้นโดยสรุปแล้วผู้ที่กระทำกรรมต่างๆตามที่พระเจ้าได้ทรงตัดว่าใจมีกรรมเป็นของของตน จะทำกรรมมันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปใจจะเป็นทายาทใจจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆไปนี่น่นนะคือเรื่องของกฎแห่งกรรมผู้ที่กระทำกรรมก็คือใจส่วนร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือเป็นผู้รับใช้ ยังไม่ได้เป็นผู้รับผลของกรรมแต่อย่างใดแต่อาจจะมีรับบ้างเป็นผลพอยได้ mm hmm. เช่นถ้าทำผิดกฎหมาย mm hmm. ก็อาจจะถูกจับไปติดคุกติดตารา mm hmm. งเป้าหมายเขาต้องการจับใจไปติดคุกติดตารางแต่ใจอยู่กับกาย ใจไม่มีรูปร่างหน้าตามองไม่เห็นมองเห็นแต่กายทางตำรวจเขาเลยต้องมาจับร่างกายไปลงโทษแต่บางทีตำรวจก็อาจจะจับร่างกายไม่ได้เพราะร่างกายอาจจะหลบหนีได้หรือว่าถูกจับแล้วร่างกายก็อาจจะมี อิทธิพลมีอะไรที่จะมาช่วยทำให้ไม่ต้องถูกลงโทษก็ได้ดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงกฎแห่งกรรมนี้และผลของกฎแห่งกรรมนี้ต้องดูที่ใจเป็นหลักจะได้ไม่จะได้ไม่เขวถ้าเรามองไปที่ร่างกายผลที่ร่างกายจะพึงรับนี้เราจะเขวเพราะว่าบางที ทำชั่วแล้วทำผิดกฎหมายแล้วแต่ยังได้ดีได้ดีก็มีแทนที่จะถูกจับไปลงโทษกลับได้ดีได้ดีก็มีคนทำความดีแทนที่จะได้รับรางวัลก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะดูเรื่องกฎแห่งกรรมอย่าไปดูที่ร่างกายเพราะร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลของการกระทา ร่างกายไม่ได้เป็นตัวกระทาเองเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเหมือนอาวุธหรือเช่นเปิล น, นี่หรือมีดนี่มีดนี้เขาไม่เขาไม่เขาทำกรรมเองไม่ได้เขาทำอะไรเองไม่ได้ต้องมีคนเอามีดนี้ไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเอาไปเอาไปทำร้ายผู้่ก็เป็นบาปเป็นโทษขึ้นมา ถ้าเอาไปทําประโยชน์เอาไปหั่นผักหรรั่นปลาทําอาหารก็เป็นประโยชน์ขึ้นมา mm hmm. ผู้ที่รับผลของการกระทํานี้ไม่ใช่มีด mm hmm. เวลาตํารวจมาจับคนที่ใช้มีดไปทําร้ายผู้อ mm ื่นเขาไม่เอามีดเขาไม่จับมีดไปลงโทษเขาจับคนที่ใช้มีดไปลงโทษ mm hmm. ฉันใดกดแห่งกรรมก็เป็นอย่างนี้ mm hmm. กดแห่งกรรมนี้ อยู่ที่จะให้คุณให้โทษกับผู้ที่กระทาผู้ที่กระทาก็คือใจผู้เป็นเจ้านายของร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นผู้รับคําสั่งเหมือนกับมีดมีดได้รับคําสั่งจากคนว่าเอาไปทำร้ายคนนั้นเอาไปทำร้ายคนนี้มีดมันก็ทําตามคําสั่ง แต่มีมไม่รู้ว่ามันทาผิดทำถูกะไรอย่างใดผู้ที่ทาผิดทาถูกก็คือใจรู้ผู้ที่รู้ว่าทาผิดทำถูกก็คือใจผู้ที่รับผลของการกรรทำผิดหรือทำถูกก็คือใจผลของการกระทาที่เกิดขึ้นกับใจนี้เป็นอย่างไรก็เวลาทำบุญนี่ก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความสุขที่ใจขึ้นมา น, นี่แหละคือผลผลของการทำบุญที่แท้จริงก็คือความสุขใจผลของการเราทำบาป ก, ก็คือความทุกข์ใจสังเกตดูเวลาที่เราทำบุญเราจะมีความสุขใจเช่นวันนี้เราได้มาทำบุญกันได้มาทำบุญทำทานได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรม าการกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็นบุญทั้งนั้นทําแล้วก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาผู<อ>้ที่รับความสุขใจก็คือใจไม่ใช่นางกายนางกายไม่ได้สุขไปตามความสุขใจแต่อย่างใดนางกายก็เป็นเหมือนเดิมอาจจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อแล้วจากการเดินทางหรือจากการที่จะต้องนั่งรอนานๆก็ได้อย่าง <c oughs> นั น, <c oughs> น, น เรื่องของกฎแห่งกรรมนี้จึงเกี่ยวข้องกับใจโดยตรงไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายแต่อย่างใดร่างกายนี้เป็นเพียงผลข้างเคียงผลพลอยได้ซึ่งอาจจะเกิดก็ได้ไม่อาจจะเกิดก็ได้ทําบุญทําความดีแล้วไ ม, ไยยมว่ได้รับการยกย่องก็มีทําบาปแล้วกลับได้รับการยกย่องกลับได้รับการอส่งเสริม ให้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาก็มีให้ร่ําให้รวยขึ้นก็มีมคนที่รวยนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องรวยด้วยการทําความดีบางควรทำความดีกับไม่รวยก็มีมคนที่ทําชั่วกับรวยขึ้นมาก็ก็ก็มีนั้นถ้าเราดูเรื่องวิบากกรรมเรื่องผลของกรรมนี้เราต้องดูที่ใจเป็นหลัก<ม>เราอย่าไปดูที่ร่างกาย ถ้าดูที่ร่างกายแล้วจะทำให้เรานี้ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรร ม, มทำดีแล้วไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไปมแล้วที่จะไปสวรรค์ไปนรกใครไปกันเพราะร่างกายเมื่อตายไปแล้วก็กลายเป็นขี้ดินไปขี้เท่าขี้ฐานไป<ม>ใครจะเป็นผู้มารับผลของบุญของบาปที่ได้ทำเอาไว้ ผู้ที่รับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็คือใจใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้เป็นธรรมชาติที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าธรรมชาตินี้เราเรียกว่าเป็นาธาตุรู้มีความสามารถที่จะรู้มีความรู้สึกนึกคิดต่างๆมีความสามารถที่จะ <c oughs> มาครอบครองร่างกาย เวลาที่มีการสร้างร่างกายขึ้นมาในท้องของแม่นี่คือใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายร่างกายตายไปใจที่มาครอบครองก็แยกตัวออกจากร่างกายไปแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปครอบครองร่างกายอันใหม่ต่อไปในระหว่างทางก่อนที่จะไปได้ร่างกายอันใหม่เลยก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาป ก, ก่อน ถ้าทำบาปมากกว่า บ, บุญบาปก็จ ะ, สะแสดงผลก่อนเพจะส่งให้ดวงวิญญาณนี้ไปอยู่ในอบาย mm hmm. ไปเป็นเปรตไปเป็นนสุรกาย mm hmm. ไปตกนรกหรือถ้าไปเกิดก็ได้เกิดเป็นสัตว์ในราฉา น, mm hmm. นี่เป็นอนิสงส์เป็นผลของบาปที่ใจได้ทำไว้ก่อนตาย mm hmm. มันจ ะ, สะแสดงผลตอนที่ร่างกายตายไปแล้ว <c oughs> ในทางตรงกันข้ามถ้าบุญมีมากกว่า บ, บาบุญก็จะส่งผลทำให้ดวงวิญญาณไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นเทพชั้นต่างๆเป็น ต, ต, ต้นหรือเป็นพรหมหรือเป็นพระอริยะบุคคลก็อยู่กับชนิดของบุญที่ได้ทำเอาไว้ว่าได้ทำบุญชนิดไหนไว้บ้างนั่นเอง <c oughs> แล้วหลังจากนั้น พออำนาจของบุญหรือบาปหมดกาลังลงดวงวิญญาณก็จะมาหารับร่างกายอันใหม่ต่อไปพอมีการตั้งท้องมีการผสมพันขึ้นมีการก่อตั้งตัวร่างกายตัวใหม่ขึ้นมาใจก็จะส่งกระแสจิตไปเกาะที่ร่างกายอันนั้น ท, ทันทีใจไม่ได้เข้าไปอยู่ในร่างกายใจเพียงแต่ส่งกระแสไป ไปเชื่อมติดกับร่างกายเพื่อที่จะได้รับส่งข้อมูลให้ต่อกันและกันได้ใจกับร่างกายจึงเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือสองเครื่องที่ติดต่อกันผ่านกระแสของวิทยุเรามีโทรศัพท์มือถือเพื่อนเราก็มีมือถือไม่ได้อยู่ที่ใกล้กันแต่เราสามารถติดต่อคุยกันได้เพราะมีสัญญาณวทิทยุที่จะเชื่อม มือถือของเรากับมือถือของเพื่อนเราทั่ใดใจกับร่างกายก็เป็นเหมือนมือถือสองเครื่องที่จะติดต่อกันผ่านกระแสจิตกระแสของความคิดเวลาเวลาใจต้องการให้ร่างกายทำอะไรใจก็สั่งผ่านกระแสของความคิดไปที่ร่างกายว่าวันนี้เป็นวันหยุดเดี๋ยวเรามาวัดกันมาฟังเทศฟังธรรม มาปฏิบัติทำกันเนี่ย ใ, ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำในทางการร่างกายมีแต่มีหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้นกายนี้ส่งไปให้กับใจเป็นผู้รับรู้ท่านั้นเองตัวร่างกายมันไม่ไ ม, ไ ม, ไ, มไม่มีความสามารถที่จะรับรู้อะไรได้ร่างกายนี้มันไม่รู้ว่ามันเห็นรูปมันไม่รู้ว่ามันได้ยินเสียงดมกลิ่น ผู้ที่รู้ก็คือใจรูปที่มาสัมผัสที่ตาจะถูกส่งไปที่ใจเสียงที่มาสัมผัสที่หูก็จะถูกส่งไปที่ใจใจเป็นผู้รับรู้อ๋อตอนนี้มีรูปให้เห็นแล้วมีเสียงได้ยินแล้วนี่แหละคือความความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจพอส่งรูปไปให้ให้ใจส่งรูปเสียงกลิ่นรสไปให้ใจ ใจก็สัมผัสแล้วก็เกิดความรู้สึกสุขทุก ข, ข, ขไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาถ้เห็นรูปที่ชอบก็เกิดสุขเห็นรูปที่ไม่ชอบก็เกิดทุกข์ขึ้นมามแล้วพอเห็นแล้วใจก็สั่งกลับไปที่ร่างกายว่ารูปนี้ชอบอ่าไปเอาไปเอามาเนะถ้าต้องเสียเงินซื้อก็ซื้ อ, อมาอันนี้ใจเป็นคนสั่งสั่งให้ร่างกายไปทําตามคาสั่งของใจเพอใจชอบรูปนี้เพราะ เห็นรูปนี้แล้วมีความสุขได้ยินเสียงนี้แล้วมีความสุขคนนี้ได้เห็นได้ยินได้ฟังเขาพูดแล้วรู้สึกมีความสุขก็อยากจะอยู่ใกล้ๆเขา<ม>ก็สั่งให้ร่างกายไปอยู่ใกล้ๆคนๆคนนี้เนอะ<ม>นี่แหละคือการทำ ง, งานของของกายกับใจ<ม>แล้วก็ใจนี่แหละเป็นผู้รับผลของการกระทาของ ของใจอีกทีนึงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นร่างกายเวลาร่างกายตายไปใจก็จะไปเป็นผู้รับผลของบุญหรือของบาปถ้าเป็นบุญก็ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเป็นบาปก็ไปสู่อ บ, บายชั้นต่างๆพอกำลังของบุญหรือบาปนี้หมดกำลังลงคือบุญกับบาปที่มีอยู่ในใจนี้มันมีกำลังเท่ากัน บุญก็ไม่สามารถดึงใจไปทางสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงใจไปทางอบายได้ตอนนั้นก็เป็นเวลาที่จะมามีร่างกายอันใหม่มารอรับร่างกายอันใหม่ถ้าใจยังมีตัณหาความอยาก<ม>เหตุที่ดึงให้ใจมาเกิดอยู่เรื่อยมามีร่างกายมามีร่างกายอยู่เรื่อยก็คือตัณหาความอยากทางกามนี่เองกามตัณหา ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆก็จะทําให้ใจต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือต้องมีร่างกายที่มีตาหูจมูกนิ้งกายความที่ไหนมีการสร้างร่างกายขึ้นมาใจก็จะไปครอบครองทันทีด้วยการส่งกระแสวิ ญ, ญญาณไปเชื่อมกับตาหูจมูกนิ้นกายแล้วรอให้ร่างกายจเจริญเติบโตคลอดออกมาแล้วก็ ใช้ให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆตามความต้องการของใจสิ่งที่ใจต้องการก็คือราบยศสารเสญสุขนี่อยากได้ราบยศสารเสนสุขก็ต้องมีร่างกายมีร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาราบยศสารเสญสุขมาแต่ร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงหาไปได้ชักระยานหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายลงไปเวลามันแก่เจ็บตายความสุข ที่จะหาจากราบยสศสารเสนสุขก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็มีแต่ความทุกข์ขึ้นมาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ใจมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยเพราะความอยากเสพ ร, ราบยสศสารเสญสุขนี่เสพ ร, รูปเสียงกินรสผลสภาพชนิดต่างๆจึง ท, ทาให้ต้องมีร่างกายพอมีร่างกายก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตาย ก็มีความทุกข์ตามมาก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดพอร่างกายอันนี้ตายไปก็ไปเป็นดวงวิญญาณไปรับผลของบุญของบาปก่อนเสร็จแล้วก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ที่พ่อแม่คนใหม่สร้างขึ้นมาแล้วพอร่างกายคลอดออกมาจเจริญเติบโตแล้วก็ใช้ร่างกายไปทำตามความอยากต่างๆ นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของใจที่ยังมีกิเลสตัณหาความอยากคอยผลักดันให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องไปเจอกับความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ของการเวียนว่ายของการพัดพากจากกันถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์เหล่านี้ก็ต้องรอมาเจอพระพุทธเจ้าก่อนจะเจอพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่พบกับพระพุทธศาสนา จะไม่มีจะไม่มีใครรู้ว่าทําไมเราถึงมาเกิดเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆและจะไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปต้องรอให้เจอพระพุทธศาสนาจะเจอพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ได้หรือเจอพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกนี้ท่านได้ศึกษาค้นควา้า จนพบหลักความเป็นจริงว่าการเวียนว่ายตายเกิดของใจนี้เกิดจากการหาความอยาก mm hmm. ถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. ก็จะต้องยุดหยุดความอยากให้ได้และการที่จะหยุดความอยากก็ต้องมีเครื่องมือที่จะมาใช้ในการหยุดความอยาก mm hmm. เครื่องมือที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาเอง ทำมูลทำทานรักษาศีลในระดับต่างๆทําจากน้อยไปหามากภาวนาแล้วก็ภาวนาจากน้อยไปหามากทําจากน้อยไปจนถึงใบเต็มที่ทํามูลทําทานตอนนั้ก็ทําร้อยและห้าร้อยละสิบต่อไปก็ทำร้อยละยี่สิบร้อยสามสิบแล้วก็ควบคู่กับการไปรักษาศีลตอนนั้ก็รักษาศินข้อหนึ่ง ก่อนข้อสองก่อนสองข้อก่อนสามข้อก่อนจน ก, กว่าจะรักษาได้ครบห้าข้อแล้วก็มาเพิ่มเป็นหกข้อเจ็ดข้อแปดข้อไปแล้วก็เริ่มฝึกขัดภาวนาจเจริญสมถะภาวนาด้ยการนั่งฟังดยการนั่งสมาธิจเจริญสติคควบคุมใจตอนต้นก็ทําทีละสิบห้านาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆ แล้วก็มาเรียนวิธีเจริญปัญญาวิปัสนาตอนตน้นก็ใช้เรียนด้วยการฟังฟังเทศฟังธรรมก่อนฟังธรรมให้เกิดปัญญาว่าปัญญาที่เราจะต้องรู้คืออะไรพระเจ้าก็สอนว่าเราต้องรู้อริยสัจสีรู้ไตรลักษณ์รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นอย่างไรรู้ว่าอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาเส่นรากยศเสริญ สุกนี้เป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาอย่าไปอย่าไปอยากมีอยากเป็นกับสิ่งเหล่านี้เพราะมีสิ่งเหล่านี้น่าจะทำให้ให้ใจทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เทีย่ยมมีเกิดแล้วก็มีดับมีเจริญแล้วก็มีเสือ่อมถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดหยุดความอยาก<ม>อย่าไปอยากในเรื่องในสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตา ไม่ว่าจะเป็นรายกยศสารเสริญสุขไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นเวทนาหรือไม่หรือไม่หรือแม้มแต่จิตอารมณ์ภายในจิตก็ต้องอยาบไปหยาบทำามถ้าอยากเราจะต้องเจอความทุกข์แล้วมันก็เราจะสร้างความแล้วความอยากนี้ก็จะเป็นตัวที่พาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆต่อไปถ้าอยากจะยุติการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องยุติความอยาก อยากจะหาความสุขจากราบยศธารเสินสุขอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆานเป็นต้นถ้าหยุดความอยากเหลา น, นี้ได้ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแจ่เจ็บตายต่อไปดังนั้นสิ่งที่เยาวพูดเราต้องทำเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาทุกข์อยู่เรื่อยๆก็คือปฏิบัติทำสามข้อนี้ทำบุญทำทาน รักษาศีลและก็ภาวนากันมาวัดที่นี่ก็เราจะมีการทําทานรักษาศีลภาวนาถึงแม้ว่าเราเดี๋ยวเราก็จะมีการถวายข้าวของกันเป็นการทําทานส่วนศีลนี้เราก็ถือกันโดยที่เราไม่ต้องมาทําพิธีสมาทานกันเรามีเจตนามีความตั้งใจก็พอแล้วเช่นว่าตั้งใจจะนั่งเฉยๆจะไม่ทํา ทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งอย่างน้อยก็ประมาณสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ญาติโยมมีศีลกันแล้วโดยอัตโนมัติตอนนี้ญาติโยมไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในการไม่ได้พูดปดไม่ได้เดิมสลายามเมาไม่ได้เสพลูกเสียงกินลดต่างๆไม่ได้ดูมหมอศพบันเทิงไม่ได้กินอาหาร นี่คือการมีศินโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องสมาทานกันมีสินด้วยการตั้งใจกระทําแล้วก็ทําตามที่เราตั้งใจไว้เราก็ได้ศินเงินขึ้นมาแล้วเราก็มาเจริญเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมไม่ว่าเจริญนิปปัตสนาภาวนาฟังเทศเพื่อเราจะได้รู้ว่า อะไรเป็นเหตุที่พาให้เรามาทุกข์มาเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือความอยากต่างๆนี่การมาตัณหาความอยากในกามในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากหล่อเป็นต้นแล้วก็วิภาวาตัณหาความอยากไม่เป็นไม่อยากยากจนไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเป็นต้น เราต้องกาจัดความอยากเหล่านี้ให้หมดไปจากใจด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่มีปัญญาแล้วก็มีสมาธิเราก็จะหยุดความอยากได้ถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิจะไม่มีกำลังหยุดความอยากต้องฝึกสมาธิก่อนแล้วก็ใช้ปัญญามาสอนใจใว่าการทำตามความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่อยากได้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ แล้วก็ความอยากก็จะพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่อยากจะทุกก็ต้องหยุดความอยากหยุดทำตามความอยากพอเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะใจก็จะไม่อยากจะทำตามความอยากต่อไปต่อไปความอยากที่มีในใจก็จะหายไปหมดใจก็จะไม่ต้องกลับมาเจ้แก่เจ็บตายอต่อไปใจก็จะสงบนิ่ง ไม่มีความทุกข์วุ่นวายใจเกิดขึ้นแต่ถ้ามีความอยากแล้วความอยากนี้มันจะไปกระตุ้นให้ใจเกิดควา ม, มดิ้นรนทะเยอทยานทําให้อยู่เฉยๆไม่มีความสุขต้องดิ้นรนไปหาสิ่งที่อยากได้มาให้ความสุขแต่ก็เป็นความสุขประเดี๋ยวประดเดาเดี๋ยวมันก็หมดไปเพอหมดไปมันก็กลับพาให้ใจกลับมาอยู่ที่เดิมอยู่ที่ความกระตุ้นกระตือรือร้น กวนก歪กสกเษกษตรกสายอยู่ที่การดิ้นรนต่อไปอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือเรื่องของใจที่เป็นนายของร่างกายใจเป็นผู้รับผลของการกระทําของใจถ้าใจทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนาใจก็จะได้รับ <c oughs> ใจก็จะได้รับผลสูงสุด โดยได้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละคือเป้าหมายหลักของการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาที่พวกเรามาศึกษามาปฏิบัติกันในวันนี้ถ้าเราศึกษาอยู่เรื่อยๆปฏิบัติอยู่เรื่อยๆวันข้างหน้าวันใดวันหนึ่งเราก็จะสามารถทําให้ สำเร็จเป้าหมายที่เราต้องการได้อย่างแน่นอนขออภัยด้วยก็พอดีเวลาก็หมดพอดีสําหรับการแสดงธรรมในวันนี้ในลําดับต่อไปเราจะมานั่งสมาธิกันมรรเจริญสมถะภาวนาทําใจให้สงบให้เกิดความสุขให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาเพราะถ้าใจเรามีความสุขมีอุเบกขาแล้ว เราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เวลาเกิดความอยากแล้วปัญญาสอนใจแล้วว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะจะไปให้เป็นการไปหาความทุกข์เป็นการไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีสมาธิมีโ อ, อเบขามีความสุขจากสมาธิเราก็อยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปทําตามความอยากได้พอเราไม่ทําตามความอยากความอยากมันก็จะไม่กลับมันก็จะหายไปมันจะไม่กลับขึ้นมาอีกต่อไป ดังนั้นต่อไปนี้เราจะมานั่งทําใจให้นิ่งให้สงบเพื่อให้เกิดความสงบเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบการอุเบกขาการวางเฉยการไม่รู้สึกจะ ต, ต้องดินน้นรนทะเยอทะยานกับอะไรอุเบกขานี้ก็คือใจที่ว่างจากความรักชังกลัวหลงเมย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจคอยบังคับ ใจให้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆเพราะถ้าปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดใจจะไม่นิ่งไม่สงบใจจะดิ้นใจจะฟุ้งซ่านแล้วจะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเวลานั่งสมาธิจึงจําเป็นจะต้องมีสติกํากับใจให้อยู่กับกรรมฐานกรรมฐานก็มีหลายชนิดด้วยกันที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปก็คือพุทธานุสติ คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปหรืออานาปนานสติกก็คือการดูลมหายใจเข้าออก mm hmm. ผูกใจไว้กับลมให้ดูลมเข้าออกที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องบังคับลมให้หายใจลึกหายใจยาวปล่อยให้ลมหายใจไปตามธรรมชาติของลมเพียงแต่ผูกใจให้ดูลมไปเรื่อยๆ ไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าผูกใจไว้ได้กับลมเลือผูกใจได้อยู่กับฟุตโธเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาพอเป็นสมาธิแล้วใจก็มีความสุขอยู่เฉย <teh> ๆได้แล้วก็อยากจะอยู่ความอยากอยู่ในความสงบนั้นไปนานๆก็จะตั้งอยู่ในความสุขความสงบ <interpret> <neighborhood> จนกว่ากำลังของสติจะหมดลงถึงจะถอนออกมา ถ้าบางท่านยังดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ใช้กรรมฐานคือการสวดมนต์ก็ได้ mm hmm. การสวดมนต์ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งสวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะนิ่งจะเย็นจะสงบหรืออยากจะหยุดสวดแล้วเปลี่ยนมาดูลมก็ได้หรือเปลี่ยนมาที่พุโทโธก็ได้ mm hmm. เวลานั่งเวลามีอะไรมาปรากฏก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้มีเสียงเข้ามาก็อย่าไปตามรู้มีแสงเข้ามาก็อย่าไปสนใจ มีกลิ่นมีรสมีภาพมีอะไรอย่าไปตามรู้มีความคิดเกิดขึ้นก็อย่าอย่าไปคิดตามให้ผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานไปตลอดถ้าดูลมก็ดูลมไปตลอดพุดโทโธก็พุโทโธไปตลอดถ้าทิ้งกรรมฐานแล้วใจจะไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้ถ้าไม่ทิ้งกรรมฐานเกาะติอยู่กับกรรมฐานเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่สมาธิได้อย่างแน่นอนนี่คือวิธีการของนั่งสมาธิ ต่อไปนี้เราก็จะมาทําใจเจริญสติให้อยู่กับกรรมฐานองค์ใดองค์หนึ่งที่เราถนัดที่เราชอบถ้าเราไม่ชอบพุทโธไม่ชอบลมหายใจเราไม่ชอบเอสวดมนต์เรามีวิธีของเราเราก็ใช้วิธีของเราไปก็ได้วิธีไหนที่จะทําทให้ใจเรานิ่งสงบวิธีนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันต่อไปนี้เราจะมาทําใจให้สงบกันจนกว่าจะหมดเวลา ตอนนี้เวลาสำหรับนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกกันขอให้สังเกตดูว่าวันนี้เรานั่งแล้วมันสงบดีหรือไม่อย่างไรเราจําวิธีนั้นไว้ถ้าสงบดีก็จําวิธีนั้นไว้คราวหน้าเวลาไปนั่งต่อก็ใช้วิธีเดียวกันอย่าไปอยากให้มันสงบความอยากให้สงบมันจะไม่ทําให้ใจสงบ แต่วิธีนั่งที่ถูกต้องนี้จะทาให้ใจสงบได้ทุกครั้งไปแต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาลิวาาปุราบาลิกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกปติ ปีติตังปัจิตังตุมหังคิดเมวาสนาจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณีจตีระโสยธาสัพพิตโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีธีขาโยโกภวะ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 ส1 7ิบเจดท่านทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติ282้ดสบท่านทางยูทู e ดรวีหกิเจท่านทางวิทยุออนไลน์8ท่านทางขับเฮาส์สท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งท่านรวมทั้งหมดเจ็ด้อยแปดสิบเจดท่านครับ ครับนกมาตรการพระอาจารย์ค่ะมีคำถามจากทาง Facebook ถ้าลูกให้เงินพ่อแม่มาแล้วพ่อแม่ไม่ได้ใช้เก็บฝากบัญชีไว้ไวแล้ววันหนึ่งคืนให้ลูกลูกจะได้บุญที่เคยให้เงินมาไหมครับได้ถ้าลูกไม่ได้ไปขอคืนนะถ้าพ่อแม่เขาให้คืนเองนี่การให้ของเรานี่เป็นบุญอยู่แล้วส่วนพ่อแม่เขาให้คืนเราพ่อแม่ก็ได้บุญอีก ต่างคนต่างได้บุญกันลูกก็ได้บุญเอาเงินให้พ่อแม่พ่อแม่เป็นห่วงลูกรัลกลูกก็อยากให้ลูกมีความสุขให้เงินลูกแม่พ่อแม่ก็ได้บุญีิแต่ถ้าลูกไปขอคืนนี่ไม่ได้ให้แล้วขอขอขอยืมก็ไม่ได้ยืมน่ามากจะไม่คืนเงินเชาค่ะจากทางยหลวงตาคะเมื่อเรานอนไม่หลับ เราต้องทําอย่างไรเจ้าคะ่ะอย่าไปคิดนะสวดมนต์ไปแล้วพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็หลับยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะแต่ต้องสวดนานๆหน่อยนะเพราะไม่ใช่สวดสองสามคำหรือพุโทโธสองสามคำแล้วมันจะหลับแล้วอย่าไปอยากหลับถ้ายิ่งอยากหลับมันยิ่งไม่หลับอย่าเพราะมันจะคอยดูว่าเมื่อไหร่จะหลับทันทีเมื่อมีการคอยดูมันก็จะไม่หลับมันต้องลืมดูลืมคิด พอมันหยุดคิดมันนึมคิดได้เดี๋ยวมันก็หลับอั่นถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเคริ้มหลับไปถ้ายังไม่เคริ้มหลับก็พุโทโธพุโทโธต่อไปยิ่งอยากหลับยิ่งยิ่งไม่ยิ่งไม่หลับนั้นอย่าไปอยากหลับทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปพุทโธพุทโธไปหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้พุโทโธไปเดี๋ยวก็หลับถ้าค่ะมีคําถามจากทางยูทูบถามเข้ามาว่า ข้าพเจ้ามีความปรารถนาปล่อยวางจากเงินที่ให้ผู้อื่นยืมเงินไปและไม่ได้รับคืนอีกทั้งต้องรับผิดชอบแทนเขาตอนนี้พยายามฝึกนั่งสมาธิในตอนเช้าและก่อนนอนแต่ก็ยังพบว่าเป็นทุกข์อยู่เจ้าค่ะเพราะเรายังไม่ยอมปล่อยเนะียังไม่ยอมให้เขายังอยากจะได้คืนอยู่ถ้ายังมีความอยากได้คืนแล้วยังไม่ได้คืนมันก็จะทุกข์ แต่ถ้าปลงได้เอาไม่เอาแล้วยังไงก็ไม่เอาเด็ดขาดแล้วใจก็จะหายทุกข์ถ้าปลงได้ปล่อยได้จริงๆเ้าค่ะจากทางยูทู e ถามเข้ามาว่านงงามัสการค่ะถ้าเราภาวนาเกิดแก่เจ็บตายแล้วน้อมศัจธรรมความจริงแล้วแต่เวลา เมื่อมีอาการผิดปกติในร่างกายไม่เล็กน้อยจัดสติแตกกลัวตายกังวลจะทำอย่างไรดีคะคือเราน้อมแต่กิเลสไม่ยอมรับความอยากอยู่ความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันมีกําลังมากกว่าเราต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้มากขึ้นให้จิตมีความสงบมากขึ้นแล้วมันก็จะมีแรงต้านความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้แล้วมันก็จะไม่รู้สึกทุกข์เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ตอนนี้เราไม่ฝึกสตินั่งสมาธิกันเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวปัญญาอย่างเดียวไม่มีกําลังปัญญาบอกว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็คิดว่าจริงจริงยอมรับได้แต่พอเจอของจริงขึ้นมามันไม่ยอมรับบางทีเลยมันไม่ยอมรับความอยากไม่เจ็บใข้ได้ป่วยมันยังมีกําลังแรงอยู่ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตนิง่งถ้าจิตนิ่งแล้วความอยากมันก็จะนิ่งตามมันก็จะหายไปแล้วเวลาเกิดความ เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็จะไม่ทุกประมันอยู่กับมันได้เช่ไหมะคุณจูดีถามเข้ามาว่ากตันญูต่อบพุพการีกับการทําบุญใส่บาตรทุกวันต่างกันไหมครับต่างกันคือความกตัญยูคือความความสำนึกในบุญคุณของผู้่นรู้ว่าคนนี้เขามีบุญคุณกับเราเขาเคยช่วยเราเขาเคยทําอะไรให้กับเราอันเรียกว่ากตัญยู เราถ้าเราตอบแทนบุญคุณเราก็เรียกว่ากะตตเวที <Yes. S 2> ตอบแทนบุญคุณในการใส่บาตรนี้ถ้าจะมองว่าเป็นการตอบตอบแทนบุญคุณก็ได้เพราะถ้าเราสํำนึกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีพระคุณกับเรามาก <Yes. S 2> การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาก็เป็นการเป็นการแสดงความกตัญญูกะตตเวทีได้เหมือนกัน เค่ะคุณคณิ t ฐาถามเข้ามาว่าเมื่อนานมาแล้วแม่เคยฝากเงินไว้แต่เราลืมว่าเคยฝากเลยบอกแม่ว่าไม่มีแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะโกงแม่แบบนี้เราควรทำอย่างไรแล้วแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะไม่ตั้งใจโกงได้ไงก็เอาเงินไปนใช้ประมาณว่า คุณแม่ฝากไว้แล้วก็ลืมเอาเงินไปใช้ก็เอาเงินที่คุณแม่ที่จะฝากไว้นี่ไปทำบุญให้คุณแม่แล้วก็ชิบุญไปก็แล้วกันเจ้าค่ะจากเฟ e บุ o k เจ้าค่ะจะมีวิธีควบคุมความโกรธได้อย่างไรบ้างครับก็สตินี่ก็เป็นวิธีหนึ่งเวลาโกรธขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องเรือคนที่ทำให้เราโกรธเดี๋ยวสภาพความโกรธก็จะหายไป วิธีที่จะทำให้ความโกรธไม่เกิดขึ้นก็คืออย่าไปอยากความอยากนี้ทำให้เราโกรธอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธแต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่โกรธฉะนั้นทำอะไรอย่าไปอยากได้นู่นได้นี่จากคนนั้นคนนี้ขอได้แต่ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงถ้าไม่ได้ก็แล้วไปถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีอย่างนี้ก็ไม่โกรธแต่ถ้าขอแล้วต้องได้ถ้าไม่ได้ลมันก็จะโกรธขึ้นมาทันที เจ้าค่ะจากทางเฟซบุ๊กถามเข้ามาว่าหากพ่อแม่ติดอบายมุกแต่ลูกต้องให้เงินพ่อแม่เพื่อเลี้ยงชีพลูกต้องวางใจอย่างไรคะหากรู้ว่าให้ไปเขาก็ต้องใช้กับสิ่งที่เป็นอบายมุกและต้องให้ต่อไปหรืออย่างไรคะก็อย่าไปให้เงินสิซื้อข้าวไปให้ซื้อกับข้าวไปให้ซื้อเสื้อผ้าไปให้จ่ายค่าเช่าบ้านให้อะไรต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสี่ได้เงินไปแล้วเดี๋ยวเขาใจเขาอ่อนเขามันเไม่อยากจะใช้หรอกแต่กิเลสมันมีกำลังมากเดี๋ยวก็ไปซื้อหวยไม่ได้ไปซื้อเหล้ามากินไม่ได้ถ้าเราถ้าเราไม่อยากจะให้เงินไปในทางที่เสียหายก็ซื้อเป็นของไปก็แล้วกันคอยถามดูว่าเพ่อขาดอะไรบ้างขาดค่าค่านั่งค่าไฟก็ส่งบินมาจะจ่ายให้ ถ้าต้องซ่อมบ้านก็บอกมาจะซ่อมให้ถ้าเสื้อผ้าไม่พอใส่ก็ไปไปไปไปซื้อที่ร้านด้วยกันเลยถ่ายให้ทุกอย่างแต่จะไม่ให้เงินให้เงินแล้วเดี๋ยวกลัวพ่อเอาไปใช้ซื้อสุราดื่มไปเล่นการพ น, นันเจ้าค่ะจากคุณสัิธรคำว่าดีเกินไปคืออะไรคะและมีอยู่จริงไหมคะน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะคำว่าดีเกินไปไม่มีล่ะ ดีไม่ดีไม่เกินนะเยอะกว่าขอให้มันเกินเถอะจากคุณวิกตอเรียลีจ้าขอแนวทางการฝึกสติว่าควรฝึกสติเดินจงกรมกี่ชั่วโมงต่อวันคะเพื่อให้จิตมีกำลังและพ้นอบายสี่และสามารถเดินจงกรมไปแล้วฟังเทศได้ไหมคะ ก็ได้นะเดินตรงคมไปคนควรจะมีเสติอยู่การเดินจะดีกว่าสมัยก่อนเราไม่มีเครื่องฟังสมัยนี้เรามีเครื่องฟังถ้าเดินไปฟังไปเดี๋ยวใจเราก็จะลอยไปได้กับการฟังเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆถ้าอยากจะฟังก็นั่งฟังดีกว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวต้องดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปถ้าเดินก็ดูการเคลื่อนไหวไปถ้าเดินได้มากเท่าไรยิ่งดี เดินไปจนกระทั้งเดินไม่ไหวจะจะล้มลงนอนแต่ละคนก็มีกำลังไม่เท่ากันแต่ต้องเดินด้วยด้วยมีสตินะต้องเดินแบบมีคุณภาพถ้าเดินแบบใจลอยนี่จะเดินทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องเดินแบบมีสติมีพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาเดินดูมีการเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาว่ากำลังก้าวเท้าอะไรอยู่กาลังก้าวเท้าซ้ายกาลังก้าวเท้าขวาไป ต้งมีความมีสติคอยคอยดูอยู่ถ้าอย่างนี้มันก็จะมีประโยชน์มีคุณภาพยิไม่ดีเดินไม่นานจิตก็จะรวมได้จิตก็จะเน่งสบายรู้สึกมีพลังขึ้นมารู้สึกว่าจะเดินไปทั้งวันก็เดินไหวเจ้าค่ะจากคุณวัฒนาขอเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าชอบและอยากจะไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ปฏิบัติธรรม มีความสงบเงียบต่างปฏิบัติกันไม่พูดคุยกันอย่างนี้ถือว่ากิเลสไหมคะติดอยากจะมีแต่ความสงบใจสาธุเจ้าค่ะไม่เป็นกอเลยหรอกเขาเรียกว่าเป็นธรรมเป็นฉันทาวิดียจิตตะวิมังสาเป็นอิธิบาสีค่ะคุณสิรินยาถามเข้ามาว่าเวลานั่งสมาธิมักนั่งวูบและหลับแต่เวลานอนมันนอนไม่หลับทาทาไมเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะ ว่าถามมันดูเลยว่าถามเราทำไมคุณมาลีค่ะกราบเรียนถามค่ะหากเราตั้งใจว่าถ้าเราฝึกปฏิบัติแล้วยังไม่ได้ธรรมะใดๆจะไม่เข้าไปกราบหรือว่าไปหาครูบาอาจารย์ที่วัดจะพยายามฝึกเร่งปฏิบัติแบบนี้ถือว่าเรามีทิฏฐิมานะหรือว่าเรายังยึดตัวตนหรือไม่คะกราบขอพระคุณค่ะ คือการจะไปกราบครูบาอาจารย์มันก็ต้องมีเหตุมีผลถ้าเราไม่รู้ธรรมะเราก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านถ้าเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยให้ท่านมาสอนเราก็ไม่ต้องเข้าไปหาท่านก็ได้ใช้เหตุใช้ผลอย่าไปใช้ความรู้สึก ค่ะคุณเสรีถามเข้ามาว่ากราบธรรมสการพระอาจารย์ครับขอทราบแนวทางทำให้ใจเมตตาต่อศัตรูหรือผู้ที่เราทำร้ายเราครับก็คิดว่าเขาก็เหมือนเราถ้าเราให้อภัยเขาเราดีกับเขาเดี๋ยวเขาก็กจะดีใจเขาก็จะกลับมารักเราชอบเราเจ้าค่ะ จากเฟซบุ๊กการทําบุญทุกครั้งเราตั้งจิตเผื่อแผ่นึกถึงคนที่เรารักและครอบครัวเขาจะได้บุญด้วยไหมครับคือการทําบุญนี่บุญที่เราทํานี่เราสามารถแบ่งให้คนตายได้แต่คนเป็นนี่เราแบ่งให้ไม่ได้ถ้าอยากให้คนเป็นมีความสุขเราก็ซื้อของมาให้เขาเพราะคนคนเป็นรับของได้แต่คนตายรับของไม่ได้เมื่อคนตายรับของไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนของมาให้ไปเป็นบุญ การทําบุญการส่งบุญไปนี่สําหรับคนตายสําหรับคนเป็นถ้าเราอยากจะให้เขาได้ของเราก็ซื้อของมาให้เขาเลยคุณอ้ําค่ะถามว่าสวดมนต์ไม่พนมมือได้ไหมครับสวดมนต์แล้วทําไมนะไม่พนมมือค่ะได้ถ้าเราถ้าเราสวดของเราคนเดียวนะแต่ถ้าเราไปอยู่ที่เขามีพิธีแล้วเขาพนมมือเราก็ต้องทําตามเขาไปโดยมารยาท ทางเฟซบุ๊กถามเข้ามาว่าถ้าพ่อแม่ที่ไม่เคยเลี้ยงดูเราเลยเราจะเลี้ยงดูท่านโดยที่ไม่ทุกใจอย่างไรคะถ้าท่านไม่เลี้ยงดูเราเราก็เกิดมาไม่ได้หรอกอยู่ในท้องเก้าเดือนเนี่ยใครเลี้ยงดูเราเพราะฉะนั้นพ่อแม่เขาเลี้ยงดูเราตั้งแต่มีเราขึ้นมาอยู่ในท้องแม่เนี่ยพ่อแม่ก็ต้องหาเงินหาทองซื้ออาหารมากินอะไรมาคอยรักษาร่างกาย ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อเด็กที่อยู่ในท้องจะได้ไม่ไม่เดือดร้อนฉะนั้นตอแม่เขาก็เลี้ยงดูเราเองแต่เราไม่คิดเรามองไม่เห็นเองค่ะนี่ค่ะสักทางเฟซบุ๊กถามว่าขณะเดินจงกรมใจเราควรอยู่ที่เท้าหรืออยู่ที่ลมหายใจเจ้าค่ะ อ, อ๋ออยู่ที่เท้าเพราะลมหายใจมันดูยากเท้ามันมันง่ายกว่ามันชัดกว่าเห็นเลย จากคุณที่คัดนาถามว่าชีวิตของมนุษย์เกิดมามีเกิดดับทั้งสุขทุกข์สลับไปมาอยู่เป็นประจำการเกิดมาเพียงแค่เร่งให้เราเห็นความจริงในคำสอนพระพุทธเจ้าบอกไว้ด้วยอริยสัจสีแล้วพ้นจากความทุกข์ได้เป็นสิ่งประเสริฐที่สุดที่เราต้องทำใช่ไหมคะเพื่อหยุดการเกิดและไม่ต้องมาเจอความทุกข์กันอีกต่อไปใช่ <c oughs> ไม่มีใครอยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายหรอกแต่ถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องเจอกันทุกคนถ้าไม่อยากเจอก็ต้องหยุดการเกิดการจะหยุดการเกิดได้ก็ต้องหยุดเหตุที่ทาให้เรามาเกิดก็คือความอยากตา่างๆการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาวันพระมีการถวายข้าวพระพุทธควรปฏิบัติใหม่คะไม่ต้องถวายข้าวหรอกเพราะพระพุทธท่านกินไม่ได้ อกมกกอจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะถ้าเห็นร่างกายไม่ใช่เราเบื้องต้นได้บ้างแล้วว่ากายไม่ใช่เราแม้ยังกลัวตายและกําลังพิจารณาเห็นจิตพูดเองบน่นแสดงอารมณ์เองไม่เกี่ยวกับตัวเราควรพิจารณาอย่างไรต่อคะคนนั่งสมาธิด้วยหรือไม่คะ ก็แล้วแต่ถ้ า, ายังไม่มีสมาธิก็ต้องนั่งสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วความกลัวตายก็จะหายไปเจ้าค่ะจากทางอินบ็อกเจ้าค่ะถ้าลูกยังเด็กไม่มีไรายได้แต่อยากทำบุญจึงของเงินพ่อแม่ทำบุญลูกจะได้บุญไหมคะไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นเงินของพ่อแม่ถ้าเราอยากจะได้บุญเราให้พ่อแม่เขาให้เงินเรามาก่อนเช่นเขาให้เราไปซื้อขนมกิน เราก็ เ, เราทนที่จะไปซื้อขนมแล้วก็ไปทําบุญอย่างนี้เราก็จะได้บุญเพราะไปเงินของเราเราไม่ได้ไปขอใครมาถ้าไปขอเงินคนนั้นคนนี้มาทําบุญมันไม่ใช่มันไม่ใช่บุญอ่ะเพราะว่ามันเป็นเงินของคนอื่นเขาแต่ถ้าเขาให้เราโดยเสน่หาแล้วเป็นของของเราแล้วทีนี้เราเอาเงินไปทําบุญอันนี้แหละจะเป็นเป็นบุญขึ้นมาในใจเรา เหมนว่าต้องมีการให้เงินก่อนหน้านี้แล้วจะเอาเงินไปทำบุญก็ได้ไม่ก็ต้องต้องมีเงินของเราเอ ง, องเพงอจะอมาทางไหนก็ได้ทา ง, งานก็ได้คนนี้คนนี้ให้เรามาก็ได้แล้วก็ไปทาบุญได้แต่ท่านเขาบอกอา้าเอาเงินนี้ไปทำบุญนี้เราไม่ได้บุญนะเพราะเราทำไปทำเป็นรั บ, รบใช้เขาเขาสั่งให้เราไปทำบุญให้เขาค่ะจากคุณนัฐพร กราบยินถามค่ะนั่งสมาธิและเดินจงกรมแล้วจิตว่างทําอย่างไรคะก็ปล่อยเป็นว่างไปนานๆเอานวความว่างของจิตมันสบายมันสุขไม่อยากจะให้มันหาจากความว่างว่างนั้วสบายเย็นสบายอยากจะให้มันว่างไปทั้งวันทั้งคืนว่างไปตลอดชาติเลยค่ะคุณโอลานเวลาทําบุญใส่บาตรควรถวายบุญให้เทวดาประจําตัวเราไหมคะ ไม่เราเราอุทิศเขาจะมาคนตายเท้งนั้นเองคนที่ร่วงลับไปแล้วเทวดาเขามีบุญเยอะเขาไม่มารับรับส่วนบุญจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะมีสองคำถามคําถามที่หนึ่งฝากถามหลวงพ่อคนเรากินเหล้าแต่ไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนผิดศีลข้อห้าไหมคะที่ทำมันไม่ได้อยู่ที่ใครเดือดร้อนไม่เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนก็นตัวเราเนี่ยนะกินแล้วก็มากินแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ ข้อสองเหยียบหอยทากหน้าฝนโดยไม่ตั้งใจบาปไหมคะถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปแต่ก็มีโทษชาตหน้ากาด จ, จะต้องไปเกิดเป็นหอยให้หอยเข้ามาเหยียบเราบ้างเจ้าค่ะยังไม่มีคาถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็แค่นี้ก่อนสาหรับวันนี้นะ